ขอ oh, ความสุขความเจริญจงมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายถึงทำจากมาวิจัยสีปทุมกำลังพูดถึงพยะเพราพสูตรคือสูตรที่ว่าด้วยการป้องกันหรือการขจัดความกลัวก็มาถึงช่วงที่ เป็นการประกาศตนถึงพระตนตรายเป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตของรามที่มาเคว้าพระพุทธเจ้าต่านจำแนกลักษณะการประกาศตนถึงพระตนตรายไว้เป็นสีลักษณะ เจนวีมีการประนมมือทำความเคารพหรือการมอบตนประกาศบอกกล่าวให้คหนอื่นทราบว่าตนได้มอบกายถวายชีวิตต่อประรัตนไตรายและข้อต่อไปนั้นเป็นการพูดถึงการมอบตนก็ประกาศเมื่การว่า ข้าพเจ้าขอสละตนแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าสละตนแล้วแด่พระผู้มีพระภาคแด่พระธรรมแด่พระสงฆ์ข้าพเจ้าสละชีวิตแล้วทีเดียวตัวของข้าพเจ้าเป็นอันข้าพเจ้าสละแล้ว ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นอันข้าพเจ้าสลัแล้วข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นศาสนาตลอดชีวิตขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทรงเป็นที่พึ่งเป็นที่อาศัยเป็นที่ต้านทานของข้าพเจ้านี้ก็เป็นการประกาศตนอย่างค่อนข้างเหยพิเศษ เพราะถึงเสียสละตัวเอง เ, เพื่อยึดหลักของการถึงพระตนไตรัยแต่ว่าถ้าเราดูภาคสนามที่ผ่านมาก็เป็นการมอบกายถวายชีวิตในลักษณะที่ไม่ยอมกระทําชั่ว หรือไม่ยอมเปลี่ยนแปลงศาสนาหรือไม่ยอมจำนวนต่อลาภยศ ส, สัเสุขที่บุคุลบุคคลอื่นเขามอบให้โดยขอให้เราเลิกนับถือพระพุทธศาสนาอย่างยกตัวอย่างท่านสุปพุทธกุณติที่เคยผ่านการทดลอง จากท้าวสกเทวะในฐานะที่ท่านเป็นโรคเรื้อนแล้วก็เป็นขอทานมีฐานะยากจนเป็นอยู่ด้วยความยากลำบากแต่เมื่อท่านบรรลุมรรคผลเป็นมรโสดาบันแล้วเนี่ยท่านจะประกาศปฏิเสธพระรัชนารไรหรือไม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมไม่เป็นพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นปรพร ะ, น ร, ะระสงฆ์ แต่ว่าท่านสุภ菩萨กุติปฏิเสธเนี่ยท่านจะให้ทองหนึ่งเล่มเกวียนแต่ว่าท่านสุปุ菩萨กุติก็ตำหนิเอาแล้วปฏิเสธว่าท่านไม่ไะยากจนเพียงแต่ท่านมีศรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์มีสัทธาเป็นตนยากจนขนาดว่า อสละตัวเองเพื่อปกป้องรักษาพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่เป็นวิธีการที่ถูกต้องคือเราก็ไม่สอนให้สาวกทมในลักษณะอย่างนั้นสาสชนิกธรรมในลักษณะอย่างนั้นจิงไม่พบตัวอย่างที่ พุทธบริษัทจัดขึ้นเป็นกองทัพต่อสู้ปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาหรือว่าบุกลุก ป, ประเทศบังคับประชาชนให้มานับถือพระพุทธศาสนาแล้วก็ไม่มีพฤติกรรมในลักษณะนั้นซึ่งในสมัยที่อิสลามมาอิสลามเติบมาบุโยตีนาลันทาเมื่อพศออ .1700 เนี่ย ประสบปริการของเราคงมีอยู่เยอะแต่ก็ไม่ใช่วิธีการในการปกป้องรักษาพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันมุ่งรักษาธรรมะมากกว่าเพราะถ้าเราไปฆ่าคนอื่นเพื่อปกป้องศาสนาเราก็ตกอย่ศาสนาเอง เราก็ต้องเป็นบาปก็ต้องตกนรกหมกไมยไปหรือแม้แต่ในสมัยที่พระเจ้าอิทูตภาพยกกองทัพไปทําลายล้างเจ้าสกยะเจ้าสกยาย อ, อมรักษาธรรมะมากกว่าชีวิตแล้วก็มากกว่าราชนาจักรเรียบร้อยกองทัพวิทูตภาพเห็ดข่าไป สัมทานที่ท่านสามารถจะกินค่าของทับของวิตุตาภาให้สลายไปได้แต่ท่านไม่ทำเพราะถ้าธรรมก็หมายความว่าท่านก็เป็นด้รักษาศีลรักษาธรรท่านทําลายศีลก็ตัวเองและทํำลายธรรมะอัวเองนี่ก็เป็นประเด็นที่ที่น่าสังเกตท่านอธิบายว่า เพืเ่เห็นการยอมเป็นสิทธ์เหมือนการเข้าถึงความเป็นสิทธิในการถึงสารณะของพระกัสสปะอย่างนี้ว่าคนนี้พระกัสสป ะ, ประพระมหากัสสปะเล่าให้พระอานุนฟังว่าพระเจ้าได้พบพระศัสดาเท่ากับได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยได้พบพระสุคต เท่ากับได้พบพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยแต่พบกปัสามาสัมพุทธเจ้าเท่ากับได้พบพระผู้มีพระภาคด้วยมึงทราบการที่ป ร, รัตตนาใจนั้นเป็นเครื่องนำทางนันเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเหมือนอย่างที่การถึงสระนของอาลกยักษในอารวรัคสุตอนปลายนะครับ พระเจ้ารับสั่งว่าให้หลังจากตอบคำถามไปแล้วพระเจ้าก็รับสั่งว่าท่านจะไปในที่ใดไปสอบถามในที่ไหนก็ะน้สังคมใดที่ขาดธรรมะเหล่านี้โดยเน้นไปที่คารวัตสธรรมคือสัจธรรมขันติแล้วถ้าขาดธรรมะทั้งสี่ประการนี้แล้วสังคมนั้นจะอยู่อย่างปกติสุขได้หรือไม่ เรากรย่กลับถูลว่าข้าพระองค์จะต้องไปอสอบถามไปพิสูตนทดสอบที่ไหนในเมื่อข้าพระองค์ได้มาพบพระภูมิพระเจ้าแล้วต่อไปข้าพระองค์จากนอบน้อมพระสามภูตเจ้าและความที่พระธรรมเป็นธรรมดีเที่ยวไปจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมือง ไปเผยแผ่ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าทีนี้การประนมมือทําความเคารพครั้งหนึ่งพราหมณ์ชื่อพราหมายุลุกขึ้นจากที่นั่งทําพระห o m o g ี n e o บา่าครั้งหนึ่งแล้วซบศีตรษะตรงแทบประบาทของพระภูมิมีพระภาคอยู่พระบาทของพระภูมิมีพระภาคเจ้าด้วยปากนวดเว้นด้วย ว่ามือแล้วประกาศชื่อว่ากาัต่พระโคโลมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพรามชื่อพร ม, มายุกาัต่พระโคดมผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพรามชื่อพรห ม, มายุนี้ก็แสดงว่าคือการกราบลงแทบพระบาทแล้วก็จุปพระบาทด้วยปาก แล้วโคหนดฟันพระบาทเป็นวิธีการแสดงความเคารพอย่างสูงในสมัยนั้นตินักการประนมมือทำความเคารพนั้นก็มีสีอย่างอาจจะเพราะคนนั้นเป็นญาติผู้ใหญ่หรืออาจจะเพราะความกลัวหรือเพราะท่านผู้นั้นเป็นอาจารย์ หรือเพราะท่านผู้นั้นเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาทานในการประนมมือทำความเคารพสี่อย่างนั้นการถึงสาร ะ, ะมีได้โดยการประนมมือทำความเคารพเพราะเป็นทักกินยบุคคลคือเราเอานว่าในสามประเภทเนี่ยมันเป็นความรู้สึกผูกพันที่จำเป็นจะต้องมี ญาติผู้ใหญ่ก็จําเป็นที่เราจะต้องไหว้แล้วก็บางทีผู้มีอานาจทั้งหลายเนี่ยเราจะนับถือหรือไม่นับถือโดยกิริยาโดยมรรดาทางสังคมแล้วก็ต้องพนมมือหรือว่าเป็นอาจารย์เนี่ยก็เป็นการผ่านพบเพื่อศึกษาลราเรียนกับอาจารย์ร อ, อยู่ระยะหนึง่ง นั่นก็มีคุณอุปการเราก็ต้องให้ความเคารพแก่นั้นแต่มันก็เจาะจงที่ตัวอาจารย์ที่ญาติและที่คนซึ่งรบกวแต่ว่าถ้ากินนยัยะบุคคลนั้นเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นใครแต่ว่าเป็นผู้ควรแก่การรับทักษิณาหรือไม่ระกากัในแบดวงชาวพุทธเนี่ย เราเนว่าเราไหว้พระในฐานะที่ท่านเป็นพระเท่า น, นั้นเองตัวไม่ใส่ใจชื่อเสียงเรียงนามของท่านไม่ใส่ใจอายุอานามของท่านไม่ใส่ใจพันศาของท่านแต่ว่าใส่ใจที่การประพฤติปฏิบัติของท่านว่าท่านเป็นอาหุนโยปหุนโยตะคิดนโยอันเชริกานโยหรือไม่ถ้าเป็นก็ใช่ แล้วก็เราทำบุญลักบาทเป็นต้นเนี่ยเราก็ไม่รู้จักว่าพระเชื่ออะไรนั่นก็แสดงถึงจิตใจของเราก็ไปยึดมั่นในฐานะที่เป็นทักษินยบุคคลคือบุคคลที่ควรแก่การรับทักษิณาเพราะในเหตุสามอย่างมันถ้าเป็นแบบ การให้ทานเขาเรียกว่าปาติปุกกะลิกคือเจาะจงแต่ว่าการถ้าถึงสรณะแล้วในใจมันจะสาธารณะมองเป็นองค์รวมของทักขิณนยบุคคลการเป็นใครมาจากไหนชื่อเสียงเรียงนามว่ายัางไงไม่สำคัญมองเป็นภาพรวมว่าทักษณิณนยบุคล การเน้นที่ทักเกณนยัยบุคคลนั้นมันไม่เหมือนที่พระเวสสัดนดรท่านมองไปที่ปฏิขาหกคือผู้รักทานท่านก็ไปสนกระไทยเราว่าเขาจะเป็นใครมีภูมิหลังอย่างไรเบื้องหลังอย่างไรเปนการให้การหาชาลีแก่ชูโชคเนี่ยท่านก็ไม่ได้ติดใจเ่าชูโชคจะเป็น ประกอบด้วยบุรุษโทษกี่อย่างอะไรแต่ไรนี้ท่านก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ว่าได้บริจาคบุตรธิดาอันเป็นทีรักให้เป็นฐานเท่านั้นเองแต่ว่าในที่นี้ไม่ใช่มันไปนมองที่ความประสึดมองที่การปฏิบัติโดนของบุคคลเหล่านั้น แม้เป็นพระสงค์ก็ได้ถ้ามีพฤติกรรมที่ไม่เป็นผู้ควรแก่ทักขีในย่บุคคลก็ไม่จําเป็นจะต้องแสดงความนอบน้อมก็ได้เพราะว่าเกณ์มันก็มีอยู่แล้วว่าอาหุนนโยปะหุนโนโยระกิตนโยเนี่ยอันเชริการันโยคือเราทําอัญเชลีเพราะเหตุว่าท่านเป็นทักขีในอย่บุคคล เราไม่เป็นทักกินนยบุคคลเราก็ไม่กระทําอัญเฉลีทีนี้เพราะว่าสารณะที่ถึงโดยถือเป็นสิ่งประเสริฐจะหมดสาภาพความเป็นสระนไปโดยสาภาพที่เป็นของประเสริฐนั่นเองเพราะนั้นการที่ชาสากยะและภูริยะถวายบังคมพระพุทธเจ้าด้วยสําคัญว่า พระเจ้าเป็นพระยาของเรานั้นการไหว้นั้นยังไม่จัดว่าเป็นสนธนาคือตอนที่พระเจ้าเสด็จเสด็จไปเยี่ยมพระยาครั้งแรกตามคําอัญเชิญของพระเจ้าสุโธธนาเนี่ยการไหว้ครั้งแรกก็เกิดจําแนกหมายความมาเป็นญาติผู้ใหญ่กว่าฉันก็ไม่ไหวกระรอายญาติ รุ่ห ล, หลานๆรุ่นลูกๆนหลานก็มาไหว้ไหว้ในฐานะที่ผูกพันชั้นญาติแล้วก็ฐานะตัวเองก็ควรแก่การไหว้ก่อนต่อเมื่อรู้เจ้าแสดงเรื่องเวสันดรชาดกฝนบกกระพัดตกลงมาแล้วแล้วก็แสดงเวสันดรชาดกจบแล้วคนเหล่านั้นก็ประกาศตนถึง พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรัทาที่พึงถือลึกต่อจากนั้นมันก็เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไหว้ด้วยฐานะที่เป็นศรณะหรือว่าการถวายบังคมพระพุทธเจ้าด้วยความกลัวว่าพระสมณโคโดมมีอนุภาพมากราชาก็บูชาเมื่อเขาไม่ไหว จะพึงทําความเสียหายให้แก่เราได้การว่ายนั้นก็ยังไม่จัดว่าเป็นสาระเหมือนกันแม้พระพุทธเจ้าจะเป็นทักกินไอบุคคลแต่เราว่าปลารรว่าพระพุทธเจ้ามีธิพนพระเจ้าประเนี่ยโกสลพระเจ้าพิมิสาร ล, ลูกศิษย์เป็นกษัตริย์เยอะปรามาสาลเป็นกษัตริย์เยอะ แต่เราไม่ไหวเนี่ยมันอาจจะเป็นเิทธเดืกิดนันตรายแกเราก็ได้ออย่างนี้ก็ไม่จัดเป็นการถวายบังคมในฐานะที่เป็นสารณะรเราเห็นว่าเป็นการปฏิบัติพัฒนาจิตมาอยู่ในจุดหนึ่งแล้วก็แสดงความเคารพออกไปจะเป็นสรณะหรือไม่เป็นสารณะเนี่ย แล้วก็อยู่ที่ความรู้สึกนึกคิดทาทีที่เรามีต่อทางพระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์หรือว่าแม้บุคคลใดระลึกถึงคำสอนบางอย่างที่ได้เรียนในสนักของพระภูมิพระภาคเจ้าเมื่อครั้งที่พระองค์ยังเป็นพระโพธิสัตว์หรือเรียนเอาคำสอน ในคราวที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเช่นพึงใช้สอยโภกคสมบัติด้วยส่วนหนึ่งพึงประกอบการทำงานด้วยสองส่วนพึงเก็บสวยที่ส่วนที่สี่ไว้หมายจะไว้ในยามมีอันตรายอย่างนี้จึงได้บังคมโดยรู้สึกว่าพระองค์เป็นอาจารย์ไ อ, อย้ยางนี้ก็ก็ไม่ใช่ก็ ไม่ใช่เป็นการแสดงความเคารพในฐานะที่เป็นชนะส่วนบุคคลใดถวายบังคมด้วยความส้งกันว่าพระพุทธเจ้าทรงเป็นทักขิณยาบุคคลในโลกการถวายบังคมบุคคลนั้นจัดเป็นความจัดเป็นชนะแล้วว่าโศกหรือว่าศีกาผู้ได้รับชนะอย่างนี้แล้วจะไหว้ญาต แม้ที่บวชในสำนักอัญญาดีระถีด้วยความรู้สึกว่าท่านผู้นี้เป็นญาติของเราดังนี้การถึงสระนาก็ยังไม่หมดสภาไปคือหมายความว่าที่ไปไหว้อัญญาดีระถีไม่แต่ว่ายในฐานะที่เป็นสราณะแต่ว่ายในฐานะที่ท่านเป็นญาติก็หมายความวาก็ไหว้ได้ คือศาสนาพุทธมันไม่ถึงกัตรณีขนาดนั้นหรอกว่าถ้าเป็นพุทธศาสนิสนกชนแล้วไปไหว้ใครไม่ได้เราไหว้ใครก็ได้แต่เราไม่ได้ไหว้ในฐานะเป็นสาสนาผู้ใหญ่เยอะไปค า, าราวโจนิวาโตจะเนี่ยการเขาดลบการระพฤตตนอดน้อมต่อบุคคลทั้งหลายเนี่ยพวกอัปปจายนาาไม การอนุรัก์ตนอ่อนน้อมตอมตนต่อคนทั้งหลายก็เป็นธรรมะปฏิบตัติเป็นธรรมะปฏิบตัติที่เราก็แสดงโดยปกติแต่ไม่ได้ไปคิดว่าท่านผู้นั้นจะเป็นสรรัตวก็ไม่ทำให้ขาดขาดความเป็นเป็นพุทธไป ไม่ต้องพูดถึงการไหว้ญ า, าติที่ยังไม่ได้บวชก็คือศรนาก็ไม่ขาดเหมือนกันสมาบสกบติกาผู้ถวายบังคมราชาก็เหมือนกันหรือถวายบังคมด้วยอำนาจความกลัวว่าราชาพระองค์นั้นเพราะเป็นผู้ที่ชาวแง้แว้นบูชากันแล้วเมื่อเราไม่ถวายบังคม ก็จะทรงทำความเสียหายให้แก่เราได้ดังนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องกลัวนะการถึงชนะก็ยังไม่หมดสภาพไปเหมือนเมื่อบุคคลแม้ไหวดีละฉีผู้ให้การศึกษาศิละปะอย่างใดอย่างหนึ่งโดยคิดว่าผู้นี้เป็นอาจารย์ของเราการถึงชนะก็ไม่หมดสภาพไป ฉะนั้นนักศึกษาพึงทราบประเภทแห่งการถึงสนะอย่างนี้ต็การถึงสนะในที่บินโล ก, กุตระนั้นก็มีสามัญญผลสีเป็นวิบากมีความสิ้นไปแห่งทุกข์ทมวลเปนอานิสงสมด้วยพระดำรัที่ศาสตร์เยบา กบุคคลใดถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสนะบุคคลนั้นย่อมเห็นอนริยสัจสี่โดยปัญญาอันชอบคือย่อมเห็นทุกข์เหตุเกิดแห่งทุกข์ความดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ซึ่งเป็นทางให้เข้าถึงความดับทุกข์สนะนั้นแหลเป็นสนะอันเกษมสนะนั้นแลเป็นสะ น, ะ, สส ะ, น, น, นสะอันสูงสุดสณะนั้นบุคคลย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ต่างๆเพราะอาศัยสนะนั้น บุคคลย่อมหนุดพ้นจากทุกทั้งปวงอันนี้ก็ถึงที่เป็นโลกิยะคือหมายความว่าเราสัมผัสสารัฐระคือเนื้อหาของความเป็นพัตนาใรอาการที่ปรากฏแก่จิตก็คือกิเลสดับทุกดับนะฮะกิเลสดับทุกดับความสุขมีความสมบูรณ์ภายในจิตประกอบด้วยกุศลธรรมที่สมบูรณ์ นี่คือว่าเป็นการถึงที่เป็นโลกุตระเป็นเรืเ่องจะต้องขวนขวายพยายามก็พยายามกันไปกว่าจะสิ้นโลปราณแหละก็พยายามความพบกันชาติากันไปตาาใดที่เรายังก้าวเดินไปไม่ถึงตรงนั้นก็แสดงว่าการถึงก็เราก็ยังเป็นโลกิยายอยู่ผลกรอกขอขายของระดับที่เป็นโลกิยาย มันก็มีกรอบใหญ่คนะือตราใดที่เรายังมีชีวิตยอยู่เอาขนาดระดับกุศลกำหบดสิยังไงสาระเราก็ไม่ขาดกะไรเพราะว่าภายในมโนโุษยสุดจดิตนั้นจะรดสงบจากความโลภ จัดความพยาบาทจัดแล้วก็สงบจากมิจฉาทิฏฐิไปได้ทีนี้อีกอย่างหนึ่งการถึงสาระนั้นเช่นการไม่ยึดถือโดยความเป็นของเชี่ยงเป็นต้นด้วยสมดังที่ทรงสัตว์สัต์ที่ที่ที่ที่สัตย์ไวว่าพิสูน์ทั้งหลายไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาส ที่บุคคลพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงข้าไปยึดถือสังขารอะไรๆว่าเที่ยงกว่าเป็นสุขจะพึงข้าไปยึดถือธรรมอะไรๆว่าเป็นอัตตาจะพึงปรองชีวิตมารดาพึงปรองชีวิตบิดาพึงปรองชีวิตตราอาหารพึงพึนผู้มีจิตทั่ว้ายอย่างโลหิตของประธาธาทาสาโคตรห้อจะพึงทำลายสงจะพึงอ้างาศาสดาอื่นฐานะอย่างนี้จะมีไม่ได้ ส่วนการถึงสนาที่เป็นโลกียะย่อมมีภวะสมบัติและภกว็สมบัติเป็นผลเหมือนกันสนจริงดังที่จัดไว้ว่าจนเราได้เราหนึ่งถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสนาะจชนเหล่านั้นจกักไม่ไปสู่าบาเยภูมิร่างกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังร่างกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏ คือประเด็นสมคัญสาคัญในเกณฑ์ตัดสินในที่นี้ก็คือคนที่สมบูรณ์ในทิฏฐิทิฏฐิก็คือความเห็นความเห็นที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ไม่สามารถจะโยครอนได้เพราะว่าทําลายสักยญิทิฏฐิได้ก็เป็นระดับพระสุรบาลึ้นไป ระโสดาบันนั้นเป็นเขาเรียกว่าจตูฮาปาเยหิจวิปมุตโตชาจาปพิฐานาเนิยปโปกาตุงหมายความว่าปิดประตูจะตุรบายทั้งสี่ได้หลังจะตายไปแล้วไม่มีโอกาสจะเกิดในโนโรกอีกแล้วในขณะเดียวกันก็ไม่ทำอภิธานอภิธานหกนะ ก็อนัตตายกรรมห้ากลับไปกับอัญญาสตุเฉทนับถือศาสนาอื่นไปเข้ารีดนับถือศาสนาอนันนี้ชื่อว่าอัญญาสตุเฉทคนอย่างพระโสดาบันนั้นฆ่าท่านในตายท่านก็ไม่ไปท่านก็ไม่ยอมเปลี่ยนศาสนาที่ท่านนับถือเพราะงั้น การถึงชนะอย่างนี้มันก็เป็นระดับที่เป็นโลกุตระไอ้ไม่ใหญโ่โลกุตระแล้วพระโสะดาบันนั้นมีจุดที่ควรสังเกตว่าะจะมั่นคงอยู่ตลอดกาลก็คือจะมีความครบหนักแน่นในมีศรัทธาหนักแน่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นในด้านศรัทธา ในด้านไตรจิขานั้นศีลท่านสมบูรณ์สมาธิพอประมาณปัญญาพอประมาณในด้านกิเ ล, ทลสทลัสสักยะทิฐิวิจิกศาศีลปัตตพรมาดได้ในด้านปัญญาท่านพัฒนาไปจนถึงทิฏฐิสัมปันโนคือสมบูรณ์ด้วยทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องที่สมมูรณ เป็นไปไม่ได้ที่ท่านจะไปเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเปเชี่ยงสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสุขธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอัตตาเนี่ยไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ทำไมเป็นไปไม่ได้เพราะว่าท่านไปถอนสั ก, กยทิทิฏไปแล้วแต่ระดับโลกียะข้อนี้ที่จริงสนังกุมารพรมเป็นคนกล่าวต่อพระพักพระพุทธเจ้า แลพระพุทธเจ้าประน้ำไปแสดงแก่พระสุนทรนไม่ทราบบาสนางกุมารพรหมจําจากพระพุทธเจ้าไปหรือหรืออย่างไรบาลีใช้คําว่าเยเกจิบุทังแสดงกาตาเซนาเตคมีสันตีปายผูมิงปายามานุสรงเดหังเดวกาหยังปริปุเรศสันติ ชนทั้งหลายเราใดเราหนึ่งถึงซึ่งพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งเทวฤกษ์เถิดจนเหล่านั้นจักไม่ไปส่วบายเลยเขาละกายที่เป็นมนุษย์แล้วจักยังกายที่เป็นเทวดาให้ปรากฏแต่ก็พบว่าเวลาพูดถึงพระธรรมก็ใช่อย่างนั้นเวลาพูดถึงพระสงฆ์ก็ใช่อย่างนั้นพระจึงการถึงรัตนตรัยเราจะเริ่มที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนก็ไม่ได้แปลกอะไร เพราะว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยเนื้อหาสาระในความเป็นพระพุทธเจ้ามันก็มีพระธรรมแล้วก็มีคุณประสมฆ์อยู่ในความเป็นพระสงฆ์ที่สุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยายปฏิปันโนสามีจีปฏิปันโนนั้นก็มีคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีธรร ม, มายู่ก็หมายความว่า พระเจ้าประธรรมประสงค์นั้นมันแตกต่างกันโดยชื่อแต่ว่าเหมือนกันโดยเนื้อหาสาระเหมือนกันโดยเนื้อความก็มีตัวอย่างที่ที่พึงสังเกตคือครั้งนั้นท้าวส ก, ก่าจอมเทพพร้อมด้วยเทวดา 80, 000, แปดหมื่นได้เข้าไปหาพระโมคคัลลานะ พระมหาโมคคลานะได้กล่าวกับท้าวสะกะ่าจอมเทพผู้ประทับอยู่ณที่ทรงควรส่วนข้างหนึ่งเัง น, นี้ว่าขอถาวายพระพรพระองค์ผู้จอมเทพการถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสะนะเป็นการดีแท้ประการถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะนะเป็นเหตุแรงสาตวบางพวกในโลกนี้ตายแล้วได้ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างนี้สัตว์เหล่านั้น เกิดเป็นเทวดาแล้วย่อบเด่นล้ำเทวดาผู้อื่นด้วยฐานะสาาิทธิฐานะสิทธิที่จริงเป็นอิทธผลที่ชาวโลกก็ต้องการนะครับที่เราต้องการก็คืออะไรรูปเสียงกลิ่นรสปฎปะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอายุวันน่าสุขาพละ ตกลงว่าสองอย่างนี้ก็เป็นเก้าเป็นเก้าก็มีต้องการอะไรล่ะความเป็นอธิบดีตกลงว่าท่านท่านท่นนับอายุอันเป็นทิพย์วันที่เป็นทิพย์สุขที่เป็นทิพย์ยศอันเป็นทิพย์ความเป็นใหญ่อันเป็นทิพย์รูปอันเป็นทิพย์เสียงอันเป็นทิพย์กลิ่นอันเป็นทิพย์รสอันเป็นทิพย์ผลตภัณฑ์อันเป็นทิพย์ ในการถึงพระธรรมพระสงก์ก็ในยนีก็หมายความว่าเป็นเหตุนำไปสู่คาถานังกล่าวทีนี้การถึงสนะต่างไปจากนี้จากเวลาเมื่อสูตรเป็นต้นท่านก็ได้อธิบายขยายออกไปเพื่อให้มีความชัดเจนแล้วก็กระจายแก่คนทั่วไป ในการถึงสนาสองอย่างนั้นการถึงสนาที่เป็นโลกิยะย่อมเศ้าหมองด้วยเหตุทั้งหลายมีความไม่รู้ความสงสัยและความรู้ความเข้าใจผิดเป็นต้นในพระรามเนมันก็แกล้ก็สับสนพราะความสงสัยอย่างเดียวมันก็ยุ่งหมดแล้วมันชะงักหมดไปไหนไไม่รอด ทำให้การถึงสนะไม่รุ่งเรืองไม่แปรออกไปมากส่วนการถึงสนะที่เป็นโลกุตระไม่มีความท่ามองการถึงสนะที่เป็นโลกิยะมีการหมดสภาพสองอย่างหรือความหมดสภาพแบบมีโทษหนึ่งการหมดสภาพแบบไม่มีโทษในสองอย่างนั้นการหมดสภาพแบบมีโทษย่อมมีด้วยเหตุ เ่านมีการมอบตนในศาสนาอื่นเป็นต้นการหมดสภาพแบบนั้นมีผลไม่น่าปรารถนาะการหมดสภาพแบบไม่มีโทษเมื่อถึงแก่ ก, กรรมการหมดสภาพแบบนั้นไม่มีผลเพราะไม่มีวิบากแต่การถึงสนานแบบโลกุตตะไม่มีการหมดสภาพเลยพระอริยส า, าวกตาและไปเกิดแป้ในภพอื่นก็จะไม่ ยอมยกย่องคนอื่นมาเป็นศาสดาแทนพระพุทธเจ้าถึงทราบความสมองและความหมดสภาพของสาระทางพันธนามานี้ฟังข้อความที่อาจารย์อุสุนิพรานได้กล่าวว่าขอพระโคลมผู้เจริญจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกคือผู้กล้ชิดประรัตนตาไต ทีนี้จากประเด็นเนี่ยมันก็เกิดมาฐานของความเป็นวัสดุวัสดุอุบาสิกาเนี่แปลว่าผู้นั่งกล้พระรลาดตานไตมาความคารวะคารวะเนี่แปลว่าผู้นั่งกลายประ ร, า ร, ารล า, าดต า, าด น, า น, ารรนาไตแล้วถามว่าประสงค์นะประสงค์ก็นั่งกลายประหลาดตานไตนั่นแหละแต่ว่ามันต้องเกิดมาจากเข็นภัยในสังสารวัตร ยึงสลาความสุขในการครองเรือนออกบวชในสำนักของพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ความเป็นอุปบทเวลานี้รู้สึกจะจางๆไปเคยมีชื่ออะไรเรียกกันในสำนักต่างๆนี่เรียกกันอยอะเคยสงสัยว่าัวอะไรนักๆกับคำว่าอุบสมบ กัวว่าจะไม่ไม่เข้าถึงมาตรฐานหรือว่าเป็นคำโบราณแสดงความเป็นคนแก่หรือเปล่าแม้คนท่าคนแก่ก็ไม่ค่อยยอมเรียกตัวเองเป็นอุปสกวติกาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนรุ่นใหม่เนี่ยเราจะเห็นว่ามีอะไรมีการลยานมิตรมีสหายธรรม มีอะไรเรียกกันเยอะชื่อกันเยอะเยอะกันมากทนนี้การแสดงตนเป็นอุบาสกนั้นปัญหาต้องการอุบาสก ค, คือใครอุบาสกวาติกาคือใครอุบาสกได้แก่เครือขันคนใดก็ได้ที่ถึงพระตาใรเป็นสารณะ อย่างที่พระพุทธธรรสที่ว่ามานามมหานามะบุคคลพูดถึงพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์ว่าเป็นสนะด้วยเหตุเพียงเท่านี้นั่นแหละก็ชื่อว่าอุบาสกที่ว่าพระเหตุใด้จึงเรียกว่าอุบาสกได้ แ, แก่เข้าไปนั่งใกล้พระรัตนตรัยยิงย่งดูบุคคลนั้นชื่อว่าอุบาสกเพราะเข้าไปนั่งกลายพระพุทธเจ้าประธรรมและประสงค์ ที่อบาสุกนั้นมีศีลเป็นอย่างไรแต่แกมีเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นห้าอย่างก็คืองดเว้นศีลห้าประการนั่นแหละคราวออนี้พระเจ้าทรงแสดงแก่พระเจ้ามหานามะที่ครองกรุงกบิลพัท ต, ต่อจากพระเจ้าสุโธธนะก็มีฐานะเป็นพระนุชาของพระพุทธเจ้าคือเป็นลูกผู้น้องของพระพุทธเจ้า เป็นที่ชายของพระอนุรุตรับสั่งว่ามานามาอุบาสกเป็นผู้งดเว้นจากปาณาธิบาตจากกตินาทานจากกาเมสุมิจ่าจานจากมุสาวาตจากฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือดื่มน้ําเมาอันตะเกสุราและเม่ได้มานามาอุบาสกจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศีล ทนี้อาชีพอุบาสกจะต้องงดเว้นมิจฉาวณิชชาเกอ่าการค้าขายในทางชีพผิดคือสิ่งเี่ยมมาขายนะสิ่งเยี่ยมมาขายในทางชีพผิดเนี่ยก็มีอยู่ห้าข้าระการคือขายสัตว์ราวุธก็อาจจะไปฆ่าคนได้เยอะ้าขายสัตว์ทั้งเป็นทั้งตายนะ่นแหละ ตาตายเราก็ฆ่าเองตาเป็นคนอื่นก็เอาไปฆ่าค้าขายเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ก็แสดงเราขายแต่ว่าในปัจจุบันก็มีรวมค้าสัตว์มีอะไรไปนะเราอย่าไปเจตนาร่วงเขาก็แลยกันการค้าขายนํำเมาการค้าขายยาพิษข้าขายห้าอย่างนี้ ก็ชื่อว่าเป็นการขาดคุณลักษณะของความเป็นอุบาสกขตี๋เมื่ออุบาสศฐานมันตั้งอยู่ที่การประกาศตนถึงพระรัตนตไกรตรงนี้ก็ทำให้ไม่สมบูรณ์นั่นเองทีนี้ความวิบาิแห่งอุบาสกนั้นก็คือหนึ่งขาดศรัทธาในพระรัตนตไกรสองไม่มีศีล คือผิดคุณอสุบัติตนตน่างต้นประการที่สามไม่เชื่อกฎของกรรมแต่ว่าเชื่อมงคลื่นข่าวไม่เชื่อกฎของกรรมสี่ก็คือสวัสดิ์หาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาไม่สวัสดิ์หาเขตบุญนอกในพระพุทธศาสนาทนี้ตรงกันข้าม ก็หมายความว่าทําให้เป็นอวสกแก้วบาสิกาแก้วก็คือมีศรัทธ า, าเชื่อมั่นในพระตรัสราเป็นผู้มีศีลเอาห้าประการนี่แหละก็เจอเรื่อยแหละศีลห้าประการเลยเชื่อกฎของกรรมไม่เชื่อมงคลติดข่าวแต่ว่าเชื่อกฎของกรรมเชื่อหลักของกรรม เมื่อต้องการจะแสวงหาเกียรติบุญก็สแสวงหาเกียรติบุญในพระพุทธศาสนาไม่สแสวงหาเกียรติบุญนอกพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นเราดูแล้วว่าคุณสมบัติของความเป็นอุบัสุกก็คือ1ประการตนถึงรัตนไปลาประการที่สองก็คือทรงคุณสมบัติ5ประกาศประการที่สามก็คืองดเว้นจาก ตก็ต้องประ ก, กรอบอาชีพเพลี่ยนแต่ว่างดเว้นจากการประ ก, กรอบอาชีพในส่วนค้าขายคือสิ่งที่ค้าขายสิบห้าเรื่องด้วยกันทีนี้ปัญหาท่านตั้งคำถามว่ามีสมบัติอย่างไรคือความถึงพร้อมด้วยศีลความถึงพร้อมด้วยอาชีวะที่ว่าสมบัติของบัตร อันนึ่งธรรมหประการมีศรัทธานสนับสนุนด้วยความเชื่อในพระธรรมกายเป็นต้นชื่อว่าสุบัติของบาสุปบรรยายที่ศักดิ์ไว้ว่าพิสูจนทั้งหลายอุบาสกผู้ประกอบไปทำห้าประการย่อมเป็นอุบาสุแก้วเป็นอุบาสุปปกดอกประทุมเป็นอุบาสุดอ ก, กบุญทริกรธรรมห้าประการคือเป็นฉะไหนก็คือ เป็นผู้มีศรัทธาในพระสงฆตรดยเป็นผู้มีศีลเป็นผู้ไม่ถือมงคลตื่นขาวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลไม่สแสวงหาเขตบุญไม่สแสวงหาเรียกว่าทักกินในยบุคคลนอกศาสนานี้ทําการสนับสนุนในพระศาสนาหนี้นที่ท่านกล่าวคําว่าแบ้งแต่บัตรนี้เป็นตนไป คือประกาศตนถึงพร ะ, ระตรตนัยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็หมายความว่าตั้งแต่วันที่ท่านประกาศจนชีวิตจะหาไม่แต่ก็จะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากพ ร, ระตนะนัยดัง ก, ก, การ พวกประกาศพวกเนี้ยพวกประกาศพวกปฏิญญาณในแนวของผู้เราให้ลองสังเกตว่ามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นปฏิญาณในระยะสั้นๆหรือคำโดยข้อความสั้นๆแต่ว่าเป็นสัจจปฏิญาณก็แบบสาบานตนเียวกันหนักแน่นกว่าสาบานตนโดยทั่วไป จริงๆถ้าเราเราแน่ใจว่าเราหนักแน่นในพระรัตนตรยัยก็ไม่ต้องสวดไปบ่อยก็ได้แต่ก็สวดก็ดีก็เป็นอนุสติช่วยจิตใจสงบโดยเฉพาะในแนการแสดงสรรเสริญพระรัตนตรยัยอย่างที่ภาษาบุตรสรรเสริญอย่างที่พระโมกคักลลานาสนรรเสริญนั่นกล่าวมา กระจะเห็นว่ามันเป็นทิฏฐานุคติให้แกอนุชนรุ่นหลังมีความรู้สึกดีต่อพัฒนารจเพราะว่าปัญหาเรื่องนี้ต่อไปจะเป็นเรื่องใหญ่หมายความมาข้อความสั้นๆตรงนี้จะเป็นหลักขัำ้ำยันศาสนาอยู่ได้หรือไม่คนยุคใหม่ในโลกยุคใหม่ในโลก อินเทอร์เนตเนเพราะว่าเธอเรียนรู้มาจากแหล่งต่างๆเยอะมากแล้วก็เรียนรู้เป็นคนละเรื่องู้จาสื่อสารกันไม่เข้าใจแล้วก็มีความสุ่มเสี่ยงที่สูงมากว่าถ้าเราหย่อนในเรื่องถึงระัตาตรายในเรื่องคุณสมบัติของบัณก์ แม้แต่เรื่องค้าขายบางเรื่องเนี่ยเราเห็นว่าเราก็หลบได้ไง่ายอะพวกนี้มันช่เรื่องยากเย็นอะไรมันมันโลกมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วเราอยู่ห่างจากจากเนื้อตั้งหลายชั้นหลายขั้นตอนไปนแต่เราก็สามารถจะขายเนื้อได้เรามันไกลสมัยก่อนเนี่ยมันใกล้ห ม, มายความมากล้าเองหรือช้ก็กล้า เราขายได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่เราอยู่สักคางสักสิบสิบสิบช่วงก็ได้ก็สามารถเดียขายเนื้อได้แต่ปัญหาเรื่องคุณสมบัติห้าประการกับสีหน้าประการแล้วก็กับการถึงรารตนากลอย่าเป็นตัวชี้ขาดสถานะของพุทธบริษัทในการต่อไปต้องฟังทั้งหลาย เสียงธรรมจากมาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้โดยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามพบูรณ์ในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี